ไม่ว่าจะเป็นการและสมัยไหนในการสูญเสียซึ่งคนรักก็ย่อมเป็นการนำความเศร้าสลดใจมาสู่ครอบครัวและก็เหล่ามิตรยิ่งหากผู้ที่ตายนั้นเป็นผู้ที่ยังไม่สมควรแก่อายุไขที่จะลาโลกก็ย่อมมีผู้โศกเศร้าเสียใจจำนวนมากโดยเฉพาะพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะย่อมจะโศกาอะไรกว่าคนอื่น มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียบุตรซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ถูกนํามาเป็นเรื่องราวสอนผู้ที่กําลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยู่บ่อยครั้งเมื่อสมัยนานมาแล้วก่อนสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมากมีกษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งซึ่งมีพี่น้องสิบพระองค์และล้วนเป็นกษัตริย์ทั้งสิ้นค่ะมีนามว่าสุเทวะจันทะเทวะ คนเทวะสุริยะเทวะอคีเทวะวรุณเทวะอัญชนคตะปันดิตอังกูลและวาสุเทวะค่ะ กษัตริย์ทั้งสิพระองค์ปกครองด้วยความยุติธรรมแล้วก็สงบสุขเรื่อยมาต่อมาไม่นานโอรสของวาสุเทวกษัตริย์ค่ะก็ได้เสียชีวิตลงโดยยังไม่ถึงวัยอันควรก็ทําให้วาสุเทวกษัตริย์เนี่ยเกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากถึงขั้นไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมเสวยพระกระยาหารไม่ยอมออกว่าราชการพอข่าวนี้รู้ไปถึงหูของเหล่าพี่น้องก็เกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคตะบัณฑิตกษัตริย์ ก็เลยคิดหาวิธีที่จะทําให้พระเชษฐาของพระองค์เนี่ยกลับฟื้นจากความเศร้าโศกออกมาธนุบํารุงบ้านเมืองดังเดิมคะตะบัณฑิตก็เลยคิดนะฮะว่าแม้นจะพูดกับพระเชษฐาอย่างไรก็คงจะไม่เป็นผลเพราะว่าพระเชษฐาและก็พระอนุชาองค์อื่นๆก็ได้พูดให้คลายทุกข์คลายโศกหมดทุกพระองค์แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความเศร้าหมองได้เลยก็เลยคิดอุบายค่ะหาทางที่จะทําให้พระเชษฐาเนี่ยฟื้นจากความเศร้าหมองได้โดยพลัน ถึงครานั้นขะตะบัณดิตก็ได้ออกไปตามบ้านเมืองของประชาชนจากนั้นก็โวกเวทโวยวายบอกว่าอยากจะได้กระต่ายบนดวงจันทร์ใครสามารถเอามาให้ได้จะมีรางวัลอย่างงามเราขอประกาศตรงนี้เลยว่าหากใครสามารถนำกระต่ายบนดวงจันทร์มาให้เราเลี้ยงในกรงได้เราจะมีทองคำและทรัพย์สินให้จำนวนมากคตะบัณดิตกล่าวนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ฟังยังทําประกาศสิทธิ์ตามเมืองไปทั่วรวมไปถึงเมืองของพระเชษฐาด้วยเพื่อจะให้เรื่องเนี่ยแหววไปถึงหูพระเชษฐาบ้างเมื่อทําการเช่นนั้นแน่นอนแล้วว่าผู้ที่ไม่รู้ก็ต้องคิดว่าพระองค์นี่เป็นบ้าไปละจึงเกิดความระส่ำรสายร่ําลือไปต่างๆนานาพระเชษฐาและพระอนุชาองค์อื่นๆก็มาดูอาการพระองค์ก็ได้แต่ร่ําร้องว่าอยากได้กระต่ายบนดวงจันทร์อยากได้กระต่ายบนดวงจันทร์ เหล่าพี่น้องมองดูแล้วก็คิดว่าเออคงไม่ได้ผลซะแล้วก็เลยนำความนี้ไปแจ้งกันกันกบวาสุเทวกษัตริย์ค่ะผู้ซึ่งกำลังเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของโอรสอยู่โดยมีอมารคคนสนิทเป็นผู้ที่ไปกราบทูลความดังกล่าวด้วยกล้าวด้วยกระหมอมขอเดชะตอนนี้ขอให้พระองค์ลุกขึ้นจากความโศกเศร้าเถิดเพราะคตะบัณฑิตกษัตริย์พระอนุชาของพระองค์ได้ทรงเสียสติ ร้องอยากได้กระต่ายบนดวงจันทร์มาครอบครองหากว่าพระองค์ไม่ไปดูเสียพระอนุชาที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจอาจจะเสียสติไปมากกว่านี้อมาตกล่าวทูล น, นะคะเมื่อได้ยินดังนั้นค่ะก็ช่วยให้เทว์าวาสุเทวกษัตริย์เนี่ยคลายจากความเศร้าหมองจากการที่โอรสสิ้นพระชนได้ชั่วขณะเนื่องจากใจที่เป็นห่วงพระอนุชานั่นเองนะคะ วาสุเทวกษัตริย์ได้ออกมาหาพระอนุชาที่กําลังบอกกับผู้คนว่าต้องการเอากระต่ายบนดวงพระจันทร์เนี่ยลงมาให้ได้ทหารหากว่าเจ้าไม่สามารถเอากระต่ายบนดวงจันทร์ลงมาให้ข้าได้ข้าจะประหารชีวิตเจ้าเมื่อวาสุเทวกษัตริย์ได้ยินเช่นนั้นก็ร้อนใจค่ะก็เลยเข้าไปหาพระอนุชาแล้วก็ทรงสวมกอดพระองค์เอาไว้อย่างแนบแน่นนะคะน้องพี่เจ้าก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเหมือนกับดวงใจอีกดวง หากว่าเจ้าต้องการสิ่งใดก็จงบอกกับพี่เถิดไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองช้างม้าวัวควายพี่จะสรรหามาให้กับเจ้าได้สุขสมดังใจปรารถนาวาสุเทวกษัตริย์กล่าวด้วยความร้อนใจค่ะพี่ท่านอันสมบัติทรัพย์สินเงินทองของมีค่านั้นน้องล้วนมีมาแล้วหมดสิน้นหาได้ต้องการของเหล่านั้นไม่น้องอยากจะได้กระต่ายบนดวงจันทร์ที่กําลังตําข้าวอยู่ทตะบัณฑิตกล่าวนะคะ เมื่อวาสุเทวกษัตริย์ได้ยินเช่นนั้นค่ะก็ตร่ำให้ออกมาบอกว่าน้องพี่แม้นเจ้าอยากจะได้สิ่งใดก็ตามบนพื้นดินพี่นี้ล้วนจักหามาให้เจ้าแต่หากเจ้าอยากจะได้กระต่ายบนดวงจันทร์นั้นไซตตัวพี่นี้หรือแม่แต่ใครก็มีอาจจะหามาให้เจ้าได้เพราะว่าเจ้าอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรอยากจะได้เพราะแม้นจะเอาชีวิตแลกก็ไม่อาจจะสมปรารถนาวาสุเทวกษัตริย์กล่าวนะคะ ท่านพี่ผู้เป็นที่รักยิ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าการที่เราอยากจะได้สิ่งที่ไม่ควรปรารถนานั้นแม้นจะแลกด้วยชีวิตเราก็ไม่อาจจะคว้าเอามาได้อย่างกระต่ายบนดวงจันทร์ก็ดีหรือพระโอรสของพระองค์ก็ดีแล้วเหตุใดเล่าพระองค์จึงได้โศกเศร้าเสียใจจนไม่เป็นอันดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขสืบไปเมื่อขตะบัณฑิตกษัตริย์เห็นพระเชษฐาเงียบก็เลยได้กล่าวต่อไปอีกค่ะว่า เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งของต่างๆอาจจะสามารถหาได้ดังใจปรารถนาแต่ไม่มีใครหรือไม่มีทางใดที่เราจะยื้อหยุดความตายได้ไม่มีกฎข้อไหนบนโลกนี้ที่บอกว่าเกิดว่าเป็นลูกและห้ามตายก่อนบิดามานดาไม่ว่าผู้คนนั้นจะเป็นชาวบ้านหรือว่าจะเป็นชนชั้นกษัตริย์ก็ตามทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับขึ้นอยู่กับว่าจะดับเมื่อใด และที่ตรงไหนเท่านั้นพี่ท่านผู้เป็นที่รักของท่านก็ลองคิดเอาเถิดแม้แต่พระอรหันต์หรือว่าพระศาสดาก็ยังหนีสิ่งนี้ไม่พ้น เมื่อวาสุเทวกษัตริย์ได้ยินเยี่ยงนั้นแล้วก็เกิดดวงตารู้แจ้งเห็นจริงค่ะความเศร้าโศกก็คลายตัวลงไปประจักษ์ว่าความตายนั้นเราไม่อาจจะหยุดยื้อเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามพระองค์จึงได้ออกวาดราชการดูแลบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์เองค่ะ มีนิทานธรรมอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในค่ําคืนนี้นะคะเป็นเรื่องของนางเวมานิ ก, กะค่ะหรือว่านางเวมานิกนั่นเองเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นมีพ่อค้าอยู่คนนึงเดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เขาได้แล่นเรือไปเจอกับนางเปรตอยู่ตนหนึ่ง เปรตตนนี้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเปรตตนอื่นเนื่องจากเป็นเปรตที่มีรูปร่างงดงามผมยาวสลวยถึงเอวเงางามแล้วก็ดูน่าหลงไหลแต่ว่าร่างกายนั้นไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่เพียงชิ้นเดียวแล้วก็อยู่ในวิมานแห่งตนนั้นเพียงตนเดียวค่ะไม่มีบริวารอยู่ด้วยเลยพ่อค้าก็เลยนึกสงสัยใจยิ่งนักด้วยความสงสัยนี้เองพ่อค้าคนนั้นก็เลยเดินทางไปได้อ่าไปใกล้กับวิมานแล้วก็เอ่ยถามขึ้นนะคะบอกว่า ข้าเป็นพ่อค้าผ่านมาทางนี้เจอกับวิมานที่สวยงามก็เลยเกิดความสงสัยว่าท่านเองนั้นเป็นหญิงสาวบนโลกมนุษย์หรือว่าเป็นอ ม, มนุษย์กันแน่หากว่าเป็นอ ม, มนุษย์แล้วไซส์เหตุใดจึงไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เลยล่ะเมื่อนางเวมานิกผู้มีรูปกายอันงดงามได้ยินก็ได้แต่ร่ำให้ค่ะข้าเป็นเพียงเปรตตนหนึง่งหากว่าท่านสนใจอยากฟังเรื่องของข้าข้าจะเล่าให้ท่านฟังนางเวมานิก ทั้งกล่าวด้วยน้ำตาค่ะขอให้ท่านเล่ามาเถิดพ่อค้ากล่าวเมื่อสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนางเวมานิกนั้นได้เกิดเป็นสตรีผู้มีรูปร่างงดงามพร้อมซ้ำยังเป็นหญิงที่สมบูรณ์อย่างเบญจ ก, กัยานีแถมยังมีจุดเด่นตรงที่ผมนุ่มสลวยทิ้งตัวยาวลงมาถึงเอวแถมยังเป็นสีดาเงางามแม้ชายใดได้เห็นก็ย่อมหลงไหลเป็นธรรมดา ด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยมีชายมากหน้าหลายตานําเอาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ของกำนันมาให้อยู่เสมอด้วยเหตุนี้นางเวมานิกก็เลยมีข้าวของเงินทองใช้พูดง่ายๆค่ะก็คือเหมือนกับนางเป็นรูปมีนรูปเป็นทรัพย์นั่นเองนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็มีสตรีกลุ่มนึงค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนางเวมานิกเนี่ยรู้ก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนที่นางมักจะมีผู้ชายนำเอาของกานันมาให้อยู่เสมอก็เลยรวมหัวกัน วางแผนให้เนะ่านางเวมานิกเนี่ยเสียผมของนางไปซะจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งด้วยเมื่อคิดได้แบบนั้นก็เลยได้คิดสมคบกับสตรีรับใช้ของนางเวมานิกเองนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะทำลายความงามของนางซะเจ้าออยาตัวนี้ไปใส่ลงในจุนขมิ้นที่ใช้ทาผมของนางเวมานิกซะแล้วนี่เงินค่าตอบแทนของเจ้าสตรีนางหนึ่งกล่าว สตรีรับใช้ของนางเวมานิกนั้นแม้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ด้วยความโลภค่ะก็เลยรับสินบนจากผู้อื่นเพื่อมาทำร้ายนายของตนเองรับรองว่าข้าจะทำให้ดีที่สุดสตรีรับใช้กล่าว ในเวลาเย็นวันนั้นนางเวมานิก็ไปอาบน้ำที่ท่าที่เคยไปอาบประจำค่ะและเมื่อถึงตอนที่จะทาผมให้สวยสะอาดสตรีรับใช้ก็นำจุนคมินที่มีส่วนผสมของยาที่จะทำให้ผมร่วงหล่นลงมาทาผมของนางไม่ช้าไม่นานผมของนางเวมานิก็ร่วงหล่นลงไปโดยผมของนางก็ค่อยๆร่วงลงไปทีละกระจุกทีละกระจุกนะคะจนในที่สุดค่ะผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามก็หลุดร่วงลงไปจนหมด เมื่อเห็นผมของตัวเองร่วงลงจนหมดนางก็รู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งจึงแต่งตัวอาภาพโพกศีรษะแล้วก็หนีออกไปนอกเมืองดังกล่าวทันทีจากนั้นนางก็ร่อนเร่อยู่หลายวันไปอาศัยอยู่กับใครก็โดนเขาเบียดเบียนไปจนหมดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานเพียงสองสามวันก็ต้องกลับไปเร่ร่อนเหมือนเดิมจนกระทั่งในที่สุดค่ะนางก็ไปเปิดร้านขายเหล้าในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งกิจการของนางก็ไปได้เรื่อยๆค่ะ บางวันก็ดีบางวันก็ร้ายแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งคุณผู้ฟังขณะที่นางกำลังขายเหล้าอยู่นั้นก็มีพวกนักเลงหัวไม้เนี่ยมาสั่งเหล้าดื่มแน่นอนว่านางรู้แน่นะคะว่าถ้าหากว่าขายเหล้าไปก็ย่อมจะไม่ได้เงินกลับคืนมาแต่ถ้าหากว่าไม่ขายล่ะร้านของนางนี่แหละจะต้องถูกพังถูกถล่มยับเยินอย่างแน่นอน นางเวมานิกไม่มีทางเลือกก็เลยต้องขายเหล้าให้กับนักเลงเหล้าทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเมื่อนักเลงเหล้าดื่มเหล้าแล้วนะคะนางก็เลยคิดแผนขึ้นมาค่ะว่ า, านางจะขโมยเอาเสื้อผ้ามา นางก็เลยคัดเอาแต่เหล้าแดงแรงให้กับนักเลงกลุ่มดังกล่าวนักเลงกลุ่มดังกล่าวก็ดื่มเหล้าจนเมามายแล้วก็หลับไปในที่สุดนั่นเองและเมื่อนักเลงเหล้าหลับกันหมดแล้วนางเวมาณิก็ได้ถอดเสื้อผ้าของนักเลงเหล้ามาเก็บเอาไว้เป็นของตนแล้วพอเหล่านักเลงสุราตื่นขึ้นมาพวกเขาก็พากันออกไปจากร้านโดยที่ยังไม่สั่งดีนักเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆนางเวมานีคก็เปิดกิจการไปเรื่อยๆ แต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะมีพระรูปหนึ่งเดินทางมาจาริกจากแดนไกลเมื่อนางเวมาณิกเห็นก็ได้รู้สึกเลื่อมใสก็เลยเชิญท่านเข้ามาภายในบ้านแล้วก็ถวายแป้งข้นระคนด้วยน้ำมันซึ่งภิกษุก็ได้ฉันแป้งข้นระคนด้วยน้ำมันแต่โดยดีเมื่อพระภิกษุได้กลับไปนางก็ได้อธิษฐานว่าผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าทาในครั้งนี้ขอให้ผมของข้าพเจ้ายาวและเงาดาอย่างเช่นดังก่อนหน้านี้นอกจากนั้น ถ้าพรเจ้าขอให้ปลายผมงอนงามเส้นเล็กเหมือนกับแพรไหมด้วยเถิดครั้นเมื่อเวลาผ่านไปนางก็ได้เสียชีวิตไปค่ะแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเ ป, นเปรตซึ่งเป็นเปรตที่มีลักษณะแปลกนั่นก็คือมีรูปกายที่งดงามผมที่ดำคลับเส้นเล็กดุจแพรไหมและก็มีปลายงอนสวยงามยิ่งนักแล้วก็ได้มาอยู่ในวิมานซึ่งปราศจากบริวารทั้งหลาย เมื่อพ่อค้าด้ฟังเรื่องของนางก็รู้สึกเวทนายิ่งนักเขาก็เลยถอดเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ส่งให้กับนางเพื่อให้นางมีเครื่องนุ่งห่มสวมใส่ไม่ต้องมาหลบซ่อนด้วยความอายที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มนั้นท่านพ่อค้าท่านมีจิตกุศลยิ่งนักนางเปรตเอ่ยหากแต่ท่านส่งเครื่องนุ่งห่มให้กับข้ามือต่อมืออย่างนี้ต่อให้เป็นเสื้อผ้าชั้นเลวข้าก็ไม่อาจจะสวมใส่ได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่า หากว่าท่านมีใจอยากจะช่วยข้ามีเครื่องนุ่งห่มนั้นแล้วก็ให้ท่านไปดูว่าในเรือของท่านมีอุบาสกผู้ทรงศีลที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือไม่หากว่ามีก็ให้ท่านมอบเสื้อผ้าเหล่านี้แก่เขาและให้เขาอุทิศส่วนกุศลมาให้กับข้าแล้วข้าก็จะได้ผลแห่งบุญนั้น เมื่อพ่อขาได้ฟังแบบนั้นก็กลับมาที่เรือค่ะก็พบว่ามีอุบาสกอยู่ท่านหนึ่งที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดและก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงได้ทาตามที่นางเวมานิกบอกจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้กับนางทันใดนั้นเองค่ะด้วยกุศล น, นั้นนางก็กลับมามีเครื่องนุ่งห่มใส่เหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพบที่แล้ว เมื่อนางมีเครื่องนุ่งห่มแล้วนางก็เผยรูปกายออกมาให้เห็นซึ่งนางก็งดงามราวกับนางฟ้าจากสวรรค์ค่ะทำให้คนที่พบเห็นนี่ต่างประหลาดใจกันเป็นอย่างมากข้าขอขอบคุณท่านมากที่อุทิศส่วนกุศลให้กับข้าเหตุที่ข้าเป็นเยี่ยงนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าข้านั้นได้ทำบุญถวายแป้งละคนด้วยน้ามันแก่ภิกษุเมื่อชาติก่อนแต่อีกทางหนึง่งข้าก็ทากรรมชั่วโดยขโมยเสื้อผ้าของเหล่านักเลง ผลกรรมที่ทําให้ข้าได้รูปกายที่งดงามแต่ปราศจากเสื้อผ้านี้แหละเมื่อทุกคนได้ยินก็ล้วนแล้วแต่ยินดีกับตัวนางด้วยที่ต่อไปนี้นางก็จะมีเสื้อผ้าใส่อย่างไม่ต้องอายใครนะคะแต่เมื่อนางเวมานิกฟังแล้วก็ได้แต่เศร้าใจค่ะก็เลยเป็นที่สงสัยของบรรดานักเดินทางเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเจ้าได้เสื้อผ้าใส่แล้วเหตุใ ด, ดเจ้าจึงดูเศร้าส้อยนักล่ะอุบาสกถามแม้ว่าข้าจะมีเสื้อผ้าใส่ แต่อีกสี่เดือนข้าก็ต้องไปเกิดในนรกอเวจี G. เป็นสถานที่ที่ต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งนักมีพื้นเป็นเหล็กแดงเปลวเพลิงกําแพงและฝาครอบล้วนทำด้วยเหล็กร้อนนางเวมานิกล่าวเมื่อเหล่าลูกเรือแล้วก็อุบาสกฟังแล้วก็รู้สึกเวทนาเป็นยิ่งนักนะคะค้าจะหาทางช่วยเจ้าอุบาสกผู้มีใจเมตากล่าวแม้นจะให้เสื้อผ้าแก่ข้าเพียงคนเดียวก็ได้กุศล หากแม้ไปให้เสื้อผ้าแก่อุบาสกผู้อื่นๆหรือพระภิกษุก็จะยิ่งได้กุศลและนำเจ้าพ้นจากบ่วงกรรมได้จากนั้นเมื่อนักเดินทางทั้งหลายกลับไปสู่ผืนดินพวกเขาก็สร้างกุศลโดยการช่วยนางเปรตเวมานิกในการถวายสิ่งของโดยเฉพาะาเสื้อผ้าแก่พระภิกษุแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่านางเปรตเวมานิกเนี่ยเป็นผู้ถวายขออุทิศส่วนกุศลไปให้นางเถิด และในที่สุดค่ะบุญกุศลที่ถวายเสื้อผ้าก็ส่งผลให้นางไม่ต้องไปตกอยู่ในมหานรกอเวจี G, ในที่สุดนั่นเอง